วันนั้นเนี่ยก็ไปกับเพื่อนอีก3คนก็มีการเข้ากะเดียวกันยกเว้นคนชื่อบารนะคะคุณจตุรงบอกว่ า, าคุณจตุรงพักอยู่กับคนชื่อบาร์แล้วก็คนชื่อแหลมแล้วก็คนชื่อบูมส่วนวันนั้นเนี่ยชื่อบารเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคือนอนอยู่บนเตียงนี่แหละประมาณ3ามทุ่มก็วางโทรศัพท์ไว้ข้างเตียงก็เลยบอกว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊เหมือนมีคนมานอนทับนะคะซึ่ง